รู้เท่าทุกข์คิดค้นถึงต้นเหตุละกิเลสที่จะนำให้ทำชั่วทำจิตใจผ่องพิสุทธิ์ดุจ ด, ดอกบัวที่แย้มยั่วเหนือน้ำงามล้ำเอ่ยศาสตราจารย์ถะปณี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 หลักสำคัญในคำสอนนี่ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ถือว่าเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ศา ส, สนาพุทธเนี่ยถ้าเราศึกษาไปจริงๆแล้วจากการอ่านก็ดีการฟังก็ดีการคิดก็ดีหรือการลงมือกระทำเลยก็ดีท่านจะสอนให้เรารู้จักคิดนะสอนให้เรามีวิธีการคิด ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดไปทางที่จะปล่อยวางคิดเพื่อที่จะทำจิตทำใจเราเนี่ยให้พ้นออกไปจากปัญหาพ้นไปจากปัญหาแม้แต่ในความคิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาว่าใช้ประโยชน์ได้เราจะเป็นต้องใช้ความคิดนะความคิดเนี่ยถือว่านำพาชีวิตเราเนี่ยออกจากปัญหาได้เหมือนกันในบางปัญหาเนี่ยใช้แค่ความคิด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 โอ้เรานี่แย่เลยไม่ไหวแล้วเราคงจะไม่ไหวแล้วตั้งคําถามว่าทําไมทําไมทําไมเนาะเราทําไมต้องเป็นอย่างนี้ไอ้คาถามแบบเนี้ยมันหาคําตอบไม่ได้หรอกถ้ามีคำว่าทำไมหาคำตอบไม่ได้ทไไไดโทษสิ่งนู่นโทษสิ่งนี้โทษคนอื่นทําไมเราต้องมีปัญหาเพราะคนอื่นเกิดความโกรธ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 คิดไปทางบวกก่อนไม่แย่ไม่เป็นไรท้าที่จะคิดว่าไม่ไหวแล้วเราเนี่ยก็คิดไปเลว่าไม่เป็นไรคีดไปทางบวกซะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสความทุกข์แบบนี้ปัญหาแบบนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปปัญหานี่มันไม่แน่นอนหรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ต้องเข้าไปเป็นปัญหาก็ได้ปัญหาไม่มีตัวไม่มีตัวลอกเนี่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 แต่ยังไม่รอดออกจากตัวคือความเป็นตัวเป็นตนอยู่แม้แต่ในความคิดอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมผู้ฟังนี่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะเนี่ยส่วนมากก็ชอบการปฏิบัติมาคูดมาคุยเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่ก็สำคัญเวลาที่จิตใจมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้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 เอากิเลสเพื่อจะไปฆ่ากิเลสและผลออกมามันก็จะเหลือกิเลสไม่มีประโยชน์อะไรเท่าเดิมไปต่อต้านกิเลสจิตก็คือกิเลสเนี่ยและถ้าเราไม่ต่อต้านนะเราจะไปตามนะทำตามกิเลสเอายิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไปคิดทําตามกิเลสมื่อะไรแล้วก็ก็เป็นการสั่งสมกิเลสและกองทุกก็ไม่ถูกต้องทางนั้นจะไปต่อต้านจะไปทําลายหรือจะไปตามติดตามกับกิเลส มันก็มีกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้องให้เราคิดซะว่าโอ้กิเลสเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะเราเองนี่เป็นปุถุชน <c oughs> ก็ย่อมมีกิเลสบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแค่เราอยากยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ยอมรับแล้วต้องยอมจำด น, นกับกิเลสนะการยอมรับเนี่ยเป็นการตั้งหลั ก, ก จ, จิตใจซะยอมรับด้วยการมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลส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 เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดสิเลตปั๊บมีสติรู้ทันแล้วก็ยอมรับ น, นซะซดูอยู่ห่างากิเลสก็จะค่อยๆจางคลายหมดกำลังไปเองเห็นไหและใจเราก็จะสงบเย็นมากยิ่งขึ้นทําใจเป็นกลางๆงเวลาที่สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ง่ายแต่เราไปทําไม่ได้หรอกแค่เพียงมีสติรู้เท่าทัน รู้เท่าทันด้วยจิตใจที่เป็นปลกอารมณ์ต่างๆจะเป็นกิเลสก็ดีหรือที่ไม่ใช่กิเลสก็ดีมันก็ค่อยๆจะจางคลายไปสําคัญนะอุปมาไม่างกับว่าสมัยนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ถ่านใช้ปืนหรอกในการต้มน้ําเราก็ใช้ไฟฟ้าเสียบปลักเมื่อเสียบปลักถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยน้ําก็จะเดือดพลานร้อนแต่ถ้าเราจะให้ กาน้ําที่มีน้ำร้อนน้ำเย็นลงเราเพียงแต่ถอดปลั๊กออกชักปลั๊กออกแล้วก็รอเวลาสักหน่อยน้าําจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะความร้อนก็จะหมดไปกิเลสในะจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นหนงานเราสติรู้เท่าทันเลยอ๋อยอมรับเนาะกิเลสก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันแค่รู้แกล้เห็นด้วยจิตใจที่เป็นปกติเ้าก็จะจางคลายไป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 ออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่เพียงแค่ความคิดอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่คิดเพื่อจะเอาตัวรอดแต่มีการปฏิบัติเพื่อรอดออกไปจากตัวเลยเล่ะคือพ้นจากตัวตนไปเลยไม่ยึดมั่นถึอมั่นในตัวตนลยฟังเพื่อถอนความยึดมั่นถึมั่นคิดเพื่อถอนความยึดมั่นถึอมั่นยังไม่เพียงพอต้องปฏิบัติมีตัวปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นถึมั่น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 มันหลงไปก็รู้มันเผลอไปก็อรู้แม้แต่เผลอก็รู้ว่าเผลออะไรอย่างนี้นะรู้บ่อยๆหนึ่งเดเนี่ยรู้แบบใจเย็นๆไม่รีบร้อนนี่เป็นความเพียร น, นะรู้เรื่อยๆอย่างนี้แหละสังเกตดูตัวเราบ่อยๆโดยใจเย็นๆพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็พอใจในผลที่เกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มผ่อนคลาย แล้วเราจะเห็นว่าทําไปนานๆเนี่ยเรารลุเชเช่ยๆไปนานๆเนี่ยภาวะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาในจิตใจเราก็คือความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกค น, นก็จะปรากฏสภาวะนี้ในจิตใจขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเขามีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกเนี่ย เขามีอยู่แล้วในจิตใจเราเพียงแต่ว่าภาะวะอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่าการปรุงแต่งในจิตใจของเราเนี่ยเขาบางังความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกข์สมุูรเลยเพราะการปรุงแต่งนี่แหละอาจจะปรุงไปทางดีหรือไม่ดีเนี่ ย, ยมันก็เป็นการบังจิตบังใจให้เศร้าหมองได้เหมือนกัน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 กระทำก็ดีก็จะถูกต้องและผลสุดท้ายการใช้ชีวิตเนี่ยก็พลอยถูกต้องคือไม่มีทุกไปด้วย